วิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตาและวงศักดิ์สิทธินาที่อยูตอนละลันที่กิดเหกุผลก็จังหวะในช่วงของเดือนที่ผ่านมาครับมันมีช่วงที่จังหวะอิดมันมันไม่ดีลงไปโดยที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้ตึวเองว่าเอ้ยอยู่นี่ทำมันเป ถึงได้ตกลงไปแต่นี้พ่อมาฟังหลวงตาสอนเมื่อเช้านี้ที่สอนเพื่อนครับก็มีทั้งสองเรื่องเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของของในช่วงที่มันแต่งตั้งยกย้ายเนี่ยมันจะมีใจที่มันโลภอยากได้ตําแหน่งไอ้ตรงนี้คือถึงแม้ว่ามันจะมีความกังวลหรือว่าความโลภอะไรที่นิดหน่อยแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะฮะแต่ถึงเวลาแล้ว พอหมู่พี่นายย้อนกลับไปถึงตัวเองก็เลยรู้ว่าเออมันน่าจะเป็นสาเหตุที่เป็นสาเหตุมาจากสาเหตุนี้จริงที่ที่อยู่ดีแล้วมันตกแล้วมันก็ก็จากเดิมๆที่มันพอจะพอจะบังคับประคองพอจะทรงอยู่ได้่รับมันตกปึ๊บลงไปเลยครับแล้วก็มีงานงานเนี่มันมันเยอะเป็นปกติอยู่แล้วครับแล้วก็พอจังหวะใจที่มันลงไปแบบนี้เนี่ย มันก็ทําให้ให้สภาพแวดล้อมโดยรวมเนี่ยในเรื่องของงานที่มันมีปัญหาอยู่แล้วแล้วเราเข้าไปแก้ปัญหามันก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นมีโจทย์ที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเข้ามามันดึงดูดเอาสิ่งที่มันมีปัญหาเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกในช่วงเวลาที่มันจากัดที่เราจะต้องควรที่จะปอดโป่แล้วในช่วงนี้ครแล้วประกอบกับ อีกเรื่องหนึ่งที่หลวงตาส อ, น, อนเป็นเรื่องของอันนี้คือตอนที่ที่เช้าตอ น, นเช้าคือเรื่องของทำนอกกับทำในนะครับก็คือผมจะมีความเข้าใจในทำนอกพอสมควรแต่ น, นี้ของทำในเนี่ยถ้ามีช่วงเวลาทำที่อยู่ภายในถ้ามีช่วงเวลาในการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่เป็นทำนอก ได้ได้ฝึงแก่ใจจริงๆงเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอช่วงที่งานมันเข้ามาเยอะแล้วจวังหวะมันไปเสียตรงที่อยากเปลี่ยดวงตาไว้พอถึงเวลาปับ๊บพอมันตกตกแล้วมันมีปัญหามันต่อเอนื่องต่อเอนื่องต่อเอนื่องพอไม่ได้มีเวลาทําทำข้างในเนี่ยถึงเวลาปั๊บเนี่ยมันก็มันก็ฉุดเอาแต่เรื่องที่มันมีปัญหาเข้ามาหมดเลยนะครับแต่ถามว่าเป็นในความเป็นตํารวจก็ถือว่า คนข้านอกมองก็คิดว่าเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่คือคนในสายตาของผู้วิชามองเนสายตาของเพื่อนร่วมงานมองก็เริมมันมั น, ม, นมันเก่งมันเอาอยู่แต่ในความรู้สึกของผูท้ที่คนที่เป็นนักปฏิบัติแล้วคือผมว่าล้มเหลวสอบไม่ผ่านะนะประเรียนึ่งตาครับไม่รู้ว่าผมอ่านตัวเองมันอ่านอ่านในสองประเด็นนี้ถูกหรือเปล่าแต่ผมว่านะ ในของประเด็นนี้น่าจะน่าจะใช่แตว่าอาจจะมีประเด็นอื่นี่ลูกตาเห็นเิมเติมระเดินงที่เราม่เห็นคือเรงในความรักประพูนผัวพันมีความมีความเพลิดเพลอด้กันแล้วก็มีความเพิดเพใจเกิใจเ เ็ีความเดินใจเป็นหลักที่อันนี้เป็นเหตุใหญ่เป็นเหตุใหญ่เหมืที่เราพูดก็อำนาจในความเพินใจอยู่ด้วยกันใจเราเกาเกี่ยวตัวพันอย่างจริงจังเป็นหลักที่ ความเพนมันไม่อยู่วยกันด้วยความรักเพื่อปัทธณาให้คนทุกข์อยู่ในความรักความเมตตาปัทธณาให้ตัวเราคนทุกข์ปัทธณาให้เขาทุกข์ในปัจจุบันปัทธณาเราคนทุกข์ในปัจจุบันแต่มันอยู่ในความเพลินเนี่ยที่ทําให้ตกแต่นี่เรื่องตบไปทางยาวไม่ใช่ระยะหนึ่ง ถ้เป็นเยื่อแลแก้ปัญหาคือแกยากเพราะว่าต้องแก้ดใจิตอลพอแก้ดจิตอได้ดิแก้ดจิลได้ก่อนเต้องแก้ดิจก่อนู่ค้างแต่ละคนมีเรื่องเราต้องแก้ดิจิตอย่าง น, นั้นนะอะไอื่นก็ต้ตหาไปแตละท่า เรามองแต่ปัญหาภายนอกไม่แก่ที่ใจก่อนนั่นมองผิดประเด็นเราจะพลาดประเด็เมื่อจิตเรามีกว่าเพลินเป็นนันทิเพลินอยู่ทีการกับภรรยาเรามีแต่มีแต่ความเพสนุกลกลอกล้อกันเดี๋ยวก็นอนกันจิตเราก็ตกไปกว่า S <S <an> <S เดี๋ยวก็หยอกอกันเวลาพอจริงี๋ยวก็หยอกล้อกันแต่แล้วเดี๋ยวก็ตีก็ตกก็คว่างตกไปบ่อยนี่ไงมันทําให้เราตกจริงจริงเลยเน่ตกจริงจรพอเราไปประสบกับปัญหางานการแก้ปัญหาของงานมาตอนนี้พอปัญหางานเกิดขึ้นตอนนี้ตกจริงจริงอะแต่กวามวจริงอ่ะพื้นฐานมันจะีกิจตกก่อนจะกครอบครัวแล้วพอไปทํางานพวก ก็ตกตัวหาตกตามที่ตงแก้คไปก็หามันก็ได้ตกจริงๆอันนี้ก็ตกจริงๆเลยอังไม่ได้ตกเฉพาะสิทธิ์นตกอย่างอื่นกวนทำงา น, นารางษาคนตกจะต้องไม่เลินอยู่ด้วยกันก็ไม่เพลินใต่ไปเพลินมาต้องทะากันไปเดินมาก็งอนกันอยู่แก่แบบอาบิสไง แกวนาภัยนอกแห่ภัยนอกเนี่เพื่อเคยแกไม่ใช่เลยประมาทเกมดบนใบพระำสมารถภาวนาให้สป็สมาธิให้มีกำลังจิตแนวแน่มันคงเริ่มใชกับงานแล้นี้คิดศาสนาอย่างที่เราสอนนะกลับมยูทูบให้มันกระจายตัวกระจายหันไปทํานอก มันเป็นทรรมในแล้วมันอยู่แต่ข้างนอกแทนมันเข้าไว้ในใจเราไม่ได้แต่เราเข้าไว้ในใจเราได้อือไม่เก็สบายเราจะทําอยู่ข้างนอกมันช่วยเราไม่ได้แล้วช่วยรักษาใจเราไม่ได้ทํามันช่วยรักษาเก่าเก่าใจเราได้ใจเราเราจะไม่ตกตับไปทำจะทํำยังไงอรัคือ แต่พิธามันคือไม่เปลยไม่มีสันติควเปลินเลินตาตาหูจมูกลิ้นกายใจเพลินคิดไปเบินเรียนลงไปอัน น, น, น, นี้มันทำให้พิธางยาวไหลลงมาก็เยอะเรืเมื่อจิใจมันตนกไปเพราะความเปลินแล้วเนี่ยเวลาเปปัก็ปัญหาภาย น, นอกเวละแก้ปัญหาในง า, านการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาของชีวิตแก้ปัญหาลุกน้อง ก็เลยไม่ได้แก้ปัญหาผานมันก็เลยพัวพันเข้ามาในใจใจก็เลยเข้าไปพัวพันเกิดในเกิดปัญหาทําให้จิตใจมันติด ป, ปัญหาต้อมานการกิจ ภ, ภาพในการแก้ปัญหามันก็ลงลงจิตเครท้องแท้หดหูเหลือเซ้งท้อถอยสดถอยกําลังก็อ่อนแอไปไม่มาแต่งงานที่ดเวียด อุจจาร์เนี่ยบนำที่เนี่เป็นตัวร้ายนาที่เป็นต้ําเหนึเป็นบอกโดยของตัณหานาที่ดับตัณหาเขาดับตัณหาดับอุประทานก็ดับความริษม่าถึงมันอุประทานดับภพชาติดับความทุกข์ความทุกข์ตกเศร้าเสียใจกับแกนใจจิตใจหวดหูเบือเจงกุ่้งซอเซ่ปวดหูสิ้นหวังคนนี้มันก็หมดสิ้นไปเองพอหมดสิ้นไฟจิตมันต้งมีกำลังแก้ปัญหาไปตามความติดใจ สติปัญญาในใจที idea, ra, ่สงบเป็นอ ok, ok, ok. ิจิวซังดูดันอิิวซังใจมันสงบแล้วก็เช่นมองเช่นหมองติดตกาะปิดเ่อไม่เกาะเขียวโพธิ์นจริงเลยใชใจเหตุผลในใจที่สงบในใจที่เป็นสมาธิติ๊กเกาะติ๊กเกาะติเาตินี้อิจิวซังเช่นมองเช่นมองน่าสมาธิเช่นหมองเช่นหมองติดเกาะปิดเกาะอิดะในใจที่สงบกัติดกับปัญหานั้นเนี่ยมันจะมีวันทีคือก็กัดติดกันปิดเกาะปิดเกากันยังไม่ออกอ่ะเอาไปทางานอะไรก่อน ออกมแจงสงบแล้วค่อยๆติ๊กตอบเอัาชีงีีจออกไงนาะงๆปัญหาบทีต้องเชินเราสองสามวันแต่ใจสงบเท่าไหร่ก็ติ๊กตอบอิ๊กบเอ๊ะทหมอที่หมอท้องสมาธิวันนี้ยี่สิบสามอีกนั้นไมดสิบสาแห่ต้องยืดต้งเชิญเพ่ใสมาธิแล้วต้องเกิดมาจากพุทารของใจที่มีนันทินันทิคือความเพื่อเตืเจริญใจ ความหลงติดเพลิไปกับลูกล้วกินเสียงก็ฝาาเพลิดดูหนังดูละครเพลเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมเน็ตเล่นแเล่นไลฟ์เพลิดางาวก็จหมดที่หายใจเอลคิดไปเพลิดมีอารมณ์ไปอยู่กับแฟนอยู่กครอบครัวก็เพลิดแย่กันเล่นกันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นไป เป็นพันพอเสร็จแล้วก็มอนกันมนเรื่องกันเดี๋ยวราอนกันมีปัญหากันวิสเราก็เส้าหมอล้วที่เราต้องบอปุ๊บเร า, เออาไปกระทบเรื่องงานหลายยาวหลายอยา่างพอหลา ย, ยาอย่างเราเส้าเรื่องงานเครียดเกือเซ็งกุ้มโซเซหดหูที้น้ำมันก็ตามมายาวเป็นตัวมันก็ม า, าจากใจในวิสเลอร์เนี่ย นั utes, น่ทชี้ราคะนั una, ่งชี้อัตราคะนั่นก็ตาตัศระตัศราที่นันงชี้มีเลยยังมีตั้งกรรมตัณหาเพราะว่าตัณหาที่เพราะว่าตัณหาที่กว่าพอใจกว่าไม่พอใจ เวลาที่ใจเจะเศ้าหมองไปนูุประธานเป็นความทุกข์ทกมา้แตัดอนาัดทิ่งดับปัญหาทั้งหมดะดับการมาัญนาระดับเกราะัาดับราะวราปามาดับอตัวพอปัาดับทุกปัาจะดับทุกใจระดับความทุกข์ต้งมวยระดับพ้อมพร้อมในตัวตนประดับพ้องไม่มีตัวตนก็คือความไม่มตัวตนที่โลกไห ที่นหรือบานที่อยูเวยพอเราที่ิบบนหรือบาที่ยตเวยกจะที่กิเมนทุกที่แหนคือความบรรุนิพพานเพราะว่าปอให้ใจมันลอยก็เลยเกิดเป็นความทุกนี่อเพรมนมกิเลสมมามันเอาไม่รอดเอาไม่ลงเป็นความทุกข์นั่งจิความรู ความเพินความดุเือดในอารมณ์มันเลยยากคนมีครอบครัวถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งจริงปัญ น, นาความเจ็บเพื่อความทุกข์จริงยากมันจะเพลินนะมีครอบครัวเนี่ยต้บอกว่าสินห้าเนี่ยก็เป็ลุกอรหันได้แต่ข้อสามต้องสือพุ่งมังจันไม่เช่นนั้นมันจะมีความเพลินดุเดืินใน อ, อารมณ์อารมณ์กลางมันเข้ามาครอบงำ ผมมีอารมณ์การมาเข้ามาเข้างานพอร่วมประเวณีกันเข้าหรือใจมันมีความเพลินป่อยในคิดปรุงไปใจมันก็เลยอยากร่วมประเวณีวันนี้มันก็เป็นความเพลินในจิตกันนอยากที่จะดับวันนี้ตัณหาเข้าก่เอเกิดแล้วซึ่งบอกว่าเรามีพรอบครัวนี่สะันหนาวันนี้ฝันจริงๆเลยากอะอยากอกเสียจากว่าสองคนสัวเมีย ป่าฝนต่าปรารถนาพิทาน์ในกันคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันเออเราก็นอนด้วยกันร่วมประเวณีกันมาหันานแล้วปรารถนาความพ้นทุกข์ทำความเพียรอพราะสามีก็มาจารีกว่าแล้วก็ไม่ทำให้น้ำมาตัวสี่เชื่อนล้วก็อยูสินายตอนสุดก็ทำอย่างแผ่นพิชานที่ให้ไว้อะ่ะ บาป ก, กรรมใดๆก็ที่ทํามาแล้วก็ขอโภธกรรมนึกยีริตายแก่ใจเสีย ใ, ใจที่ได้ทํามาแล้วอาผิดสิที่ทําได้ทํามาแล้วขอโทษออทตท่อพู้ที่เขาทำต่อองค์สิทธิกรรดาบุปาอาจารย์ขอโทษต่อผู้ที่เราร่วมเกินขอโทษกับความจริงใจจริงๆเนี่ยเป็นยีริคือลายแก่ใจ มีอดสัตย์สตินับแต่นี้ที่เคื่อนไปจะไม่ทำดีนับแต่นี้ที่เคื่อนไปจะไม่กระทำดีจะไม่กระทาผิดศีลผิดธรรมต่อไปต่อไปผิดศีลผิดธรรมในาอย่ก็จะมีิดนะว่าผิเล็กเล็ก่น้อยพอเผลอฝ่ายไปก็ขอโทษขอโทษิดศีลขอโทษขอโทษต่อพระแม่คุบาอาจารย์ขอโทษต่อพรพุทธชินราชพสงฆ์ติดตามรดาคุบาอาจารย์ผู้ที่เราโลกเคยขอโทษขอโทษทุ พะไม่แตกละเพ่จะมีม อ, อมม น, นุญาตให้ปกบาปได้ เ, ดาา เ, ดาเร า, า, ผผมม า, เ า, าผิดเล็กผิดน้อยโดยที่ไม่ได้เจตนาแต่มีเจตนาจะเป็นกระทาความผิดผงกบาปไม่ได้เพราะมีเจตนาเราผิดเล็กผิดน้อยและมีเจตนาเออก็ผงกบนนะาปได้ผานฟังใส่แล้วก็แม่งกบาปไม่ได้เฉพาะเฉพาะผิดเดกียวกัาริกเป็นผ้าและเป็นเศษ โรงพยาบาลนี้อย่างเป็นโรงพยาบาลนี้กับคนรู้จักก็เป็นประราชีขาดไปเลยไม่ได้ถ้าเป็นประาชีขาดไปป้องกบัตไม่ได้หรือว่าเป็นสัมภาษณิเศษก็ป้องบัตไม่ได้ก็ต้องไปเข้ากรรมไปอยู่กรรมเท่ากับจํานวนหกปิดไว้แล้วก็ต้องอย่าเข้ามาหนาที่หกวันนอกกันนั้นป้องบัตได้บัตงนั้นถ้าเรา พลวัตปัญหาของมนุณย์ทุกประตรงนั้นยากแต่เราเนี่ยพอสามเราถือพระกันแล้วไม่ไปทําให้น้ําสีขึ้นไม่ไปร่วมบรเกณนี้มันก็เหมือนพระแหละเหมือนกันเลยในสไลด์แล้วก็แล้นก็ไม่ไปกระทำผิดีลิดทํามมันก็เลยใจก็เลยเป็นสมาธิ ไม่ปล่อยเพลินไปไม่ปล่อยเพลินไปให้มันดูดซึมให้เนี่ย ใ, ให้ใจมันไปดูดซึนกับรูปกับเสียงกับรถกับสัมผัสเกียสีธรมามปล่อยคิดเพลินไปมีอารมณ์ส่ปูนแต่งไปไม่ปล่อยเป็นนันีนันชอระพนันทีอราคะนันชีอรหะพะตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตายาตาตาตตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาาาาาาาา อานให้คอบรัวเราเดิมแล้วเอาไม่อยู่ท น, นต้องดับตระการอนที่มันจะลุกลามเป็นไฟไหม้จิตใจเราแล้วไม่เอาอะไรก็ไมเอาใหม่อัับเราก็อธิษฐานแผ่นดีษฐานที่เราให้ไปจ่าแผ่นีษฐานตั้งใจห ม, มายแน่แน่ครอบครงวกัครอบครัวแล้วคนหนีครอบครัวก็ดีนะ สังใจมีมือรุปะตายแก่ใจเกงโกตะบาไม่ทาอีกแล้วแต่ตามภาพไปก็ขอเข้ามาขอเข้ามามีมือรุปะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยสารวมแล้วตอนนี้สำรวมสาวุเชมุริริ้นกายใจมาพลาไปแล้วเอาไปเอาไปสำรวมสาวุเชมุริแก่ใจสารวมอินทรีทไมสารวมมันเลินหมดทำไมสารวมมันเป็นนันทิสาสะมัเลิน พอมาจำรวมป like, ุ๊บวันนี้เราไปแก้ปัญหาในงานพองานมีปัญหาประเด็นจิตมันตกยาวเลยพอยาวก็ไปจำยี่สามเก้าหกจำแย่ทุดอย่างแย่คนไม่เข้าใจคนคำสอเพื่อจะจำซึ่เอาใช้กระโลกได้ใช้กระทำได้ใจไม่เฟิาเลยใจมันแบบเรจะแก้ปัญหาไหมก็อิกสาอิจฉาเชื่อมองเ่หมอง นักสัมม nh ok, ok, ok, ok, ัติเจนหมอเป็นหมอสัมมัติหรือวิจิตรันคอเจนหมอเจร็จจ่อประมาณเนาปัอหาจะแก้ไงเนาะจะแก้ไงเนาะบางทีเนี่มันคิดไม่ออกที่เราก็เคยแก้อยู่ตั้งสองสามวันอ่ะิสติดต่อคิดต่อติดต่ออยู่สองสาวันปิ้งเลยเฉยก่อนนี้อ่ะคิดไม่ออกแก่อยู่พอใจสงบแล้วก็แก้ได้พอใจไม่สงบแก้ไม่ออกแก่ไม่ได้จริง เทศเมอเทศเมองอีกต่างต่างก่อนที่บอกว่าตอนเราเป็นหัวหน้าศาลก็อันนันแะจะทรวงเขาสร้างบ้านใหม่หลังหนึ่งไปผู้สาหลายคนบ้านไม่พอเขาไปเช่าบ้านให้อยู่พอกรวงสร้างบ้านใหมยหลังหนึ่งเดือดศาลผู้สาในศาลแบ่งันสองพวกพวกนั้นก็บอกว่าสางหลังนี้จะต้องตกไปแก่ผู้สาวผู้โต อีกข้อมูหนึ่ง ต, บตาาบบ้บอกว่าเ้าพ่อโสดในแก่ผู้รับสาที่ถูกรื้อบ้านไปเพิ่งรื้อบ้านไปเขาบอกว่าบ้านที่ถูกรื้อไปมันหมดสภาพแล้วไม่ถือว่าถือว่าเป็นบ้านสร้างใหม่เจ้็พ่อเลวโสดมันจะบอกไม่ใช่บ้านเขาถูกรือกอกอก้อไปแล้วคนที่มีสิที่บ้านเหล่านั้นจะต้องได้ก็เถียงกันอ ย, อยู่ก็เสียนกันเรื่องเลก็กๆนอกจากการเรื่องใหญ่ตอนนี้ให้เวาลาตัดสินอยู่นี่บ้านจะต้องตกหลงใครเรามันตัดสินไม่ได้เพราะว่าตัดสิน มันการทำงานจะเบียดหายเพราะว่าพวกนึ่ง้สเกิดไม่พอใจเราแล้วก็มันจะเบียดหายตรงนั้นลืมไม่ว่าจะสับยังไงอ่ะกเกิดปัหาแน่นอนแล้วก็เล่งกันใหญ่เลยลูกล้าเราใหญ่ทีไรเราก็ปล่อยไปกับเราเดียวมันคิดไม่ออกเลยปล่อยบ่ยพราะนั่นมันไม่ผ่อนเยะทะลาะกันเกิดริงจังแย่บ เราเอ like? ๊ะท่ไงาต้องแก้ปัญหาเลยแล้วเราก็ตัดสินกดตัดสินตัดสินตัดสินตัดสินตัดสินติดลใช้ไหมองแค่แค่มองยืจะจรองมันตดตัดสตัดสินตัดสตัดสินเข่าของน้ามันตัวเลยติดตัดสินตัดเอ๊ะมันหลอกเราเลยทำไงวะติดตัดสินตัดสินตัดสินแล้วก็ติดต่อมาหลายวันแล้วมันไม่ลบหใจเลยเราตัดสินไม่ได้เลยตัดสินไม่ใครก็มีปัญหาแน่นอนแบบนี้ ก็แคิดเจ้ากูคิดสักคิดซักคิดซักนปัญหาที่จริงๆออกไปนอะแค่บอกอย่ากเดี้ยจบอกแค้บมเาจ้งกันบอกว่ป hey ิ hey, ้งทำไมเฉยอ่ะาเราไม่ปิ้งไม่นาเื่เลยปัญหาเล็กคแก่เนี้ยแกไปล้วพอปิ้งขึ้นมาเนี่ยโอ้เรื่องใหญ่เล็กเรื่องลกไม่ง่ายเลยชวยพอปิ้งขึ้นมาเนี่ยเออเราเรจะห้องน้ามนรีบตัวตัดไปหา ประหลัดรอประหลัดรอโทรศัพท์ไปหาผู้ใหญ่อว่าไอ้เนีมันมีปัญหาแบบนี้ในสาของผมอะแต่ปที่มันเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องตัดสินใจแต่ผมก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่เดียมันจะเกิดปัญหาทะเลาะกันเราทงานไม่ได้ผมกขออนุญาตผขออนุญาตอาศัยมือท่านอาศัยผู้ใหญ่แงบนี้ เราึกษาว่าอย่างนี้เห็นช่านชอบใล่ไหมอเออดีดีดีเราก็ให้ร่างถือว่านะร่างถือง่าเราพระสอนร่างถือว่างี้งี้เราก็ร่างเราก็ตกไปหาท่านแล้วก็เปียนจับเราก็ศึกษาว่ามันมีปัญหาอย่างนี้นี้บานดูกดวยไปเงี้ยทุกานมีคนจะบที่หนาดเออกลั ว, วจะตกแก่ผู้ใดขอได้โปรดได้โปรดดูแจ้งมาด้วย เสวเสดสั่งเกนอย่างนี้บ้านในฝนตกไปแก่ท่านนี้พอหนังสือกลับมาก็เอาไปยื่นให้มีหนังสือจากกระทรวงมาอ่านได้ก็อ่านแล้วก็เร็นเรียนทราบทราบไปแล้วเนี่ยเร่อกะเจี๊ยบไปแค่ที่นี้ไม่เหนดีตอนที่มาไม่จบการเรื่องใหญ่ไม่ได้แสกสองฝ่ายเนี่ยหลายเรื่องแบบนี้เราใช้หัวใจมาสงบแล้วพิจาร ปัญหาคือนาออกเด้ไล้ไดออกได้ไขวเยียเี้างทีเรามันก็ริง่ายๆว่าคิดไปแก้ไปได้เลยแต่ทีมันกนไม่มีทางออกจริงๆเลยไม่ใช่หรอแต่ก็คิดเอาแก้กได้คทออกเพราะใจมันอก่ามันมออกเราก็ใช้อย่างนี้หลายครั้งนี่ใจเรามันเป็นน้ำทิ้จะแล่นยจีเดกาครอบนําเลยใจไป จิตมันไม่มีกำลังก็แย่ถ้วจะไมแก้ปัหาอะไรก็ตกไปเลยจิตก็รจิดำพรำตรง้แย่วิธีแก้คือต้องแก้ปีจัยก่อนถึงจะไปแกรีบแก้ปีจัยอย่างรวเร็วเอามใหม่แก้ปีจัยแก้ดีจได้ก็เท่ยวถามพื่นออกไปดูเหมือนคนนั้นแน่ ที่หลายคนโดนย้ายพอแก้วิจัาได้ปัญหาก็จบไปไม่ใหลอตอนเเรื่องขอ ง, ง, งไอ่ที่ถูกเด็กจังเทพไปอ่ะเราก็รู้ล้นะลูกเด็กจังเทพออกไปสัง่งกัตันอันนั้นเรื่องใหญ่ถูกเด้นออกไปอ่ะ สุดท้ายผแก้ทีใจได้มันทุกอย่างเปลี่ยนไปยิบจากร้ายจะดีเลยมันแก้ที่ใจมันต้องจเจ้าตัด ไ, ดไปใจเนี่ยคที่สุดรักษาใจไวได้มีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นอำนาจทกอยางตแล้วใใจ ใจเศร้ามองใจใจลูกคิ เ, เต็มกวเศ้ามองลาพัง ม, มันเริ่มแย่เริ่มแย่ธุรกิจก็แย่ตำแหน่งกรสับลยไม่ได้เจ็บหนาแก้ไม่ได้สอบอะไรก็ถึงมมม้มีใครสอบได้เลยเห็นจำคำสอบเลไม่ได้แล้วเห็นจำคำนี้ถึไ่ครสอบได้สอบที่เป็นที่ใหญ่สอบไม่ได้หลทงะกว่าจะสวา่างพ่้องสอบได สบายสบายที่สดที่พวกผู้อนนะพวกเรา็โดนย้ายกันเลยต้องแก้ที่ใจก่อนไม่ด้องย้ายแก้ไม่ได้เรียนคลื่นลายสอบเราไปสอบหึ่สอบไม่ได้แกที่ใจได้ก็สอบได้ต้องมีการมัดสินใจคนท้าตัจารณ์วิจาร์อะไรแล้วยังไม่มีสองังไม่ผิดพลาดเลยไม่เช่อวิจารณ์เสร็จเลยกินมากนอนมาก ว่ากี่ีหมวกนะใจหมกหุ่นแต่เรื่องโลกโลกเรื่องการงานําบักในใจความเพลินใจนั้นที่ปล่อยใจเพลิยไม่ตำรวจสาวุจจาระนิ่งใจใจปล่อยเพลินไม่ตำรวจเตาอุจจาระนิ่งใจชวนคิดไปชวรตกแต่งมีอารมณ์ไปชวนอยากสัมผัสอยากดูดดื่เพิ่มคุยคิดไปถึงเรื่องความรักความเพลินความดูดดื่มเพลเพลินเจริญใจไปไม่เหลือความเปลี่ยนไปยอด เป็นไม่รักษาใจไม่ไม่มีเหตุสะัคือไม่ลายแก่ใจในในที่รับในที่แจ้งถ้าปล่อยคิดไปพูดไปอารมไปในที่รับที่แจ้งมันเป็นไรเราคิดไปไหมไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เสพหมดทันลายได้เหลือจิตมันก็นังที่นั่งที่คือมีความเปลินไปปล่อยคิดเพลินไปในรูปรสจิตเสียสะพัดเสียสีในอารมณ์ไม่เหลือตกต่ำหมด ถ้าอยากจะเจริญก็ต้องเดินทางในทางเนี้ยเดินทางในทางแห่งความเจริญคือทายความเยอะก็กินน้อยพูดน้อยนอนน้อยกินน้อยพูดน้อยสำรวมินทรีคิดสุดสำลอมินซีเต่าเชื่อมุขไกลใจเดี๋ความเพลยนคิดไปในี่ยลมจะคอยเป็นนันทิความเจริญเป็นนันทิราษะระภะตาภะระศัสนาพิณที แล้วจะได้ทางการบ้านถนัดเราว่าถนัดที่ของถนดเดี๋ยวปัปมีอยู่ทีกระปากลายแก่ใจสำคัญที่สุดเลยตอนนี้ลายแก่ใจอยู่กับกระปการคิดการพูดการกระทาเราในแต่ละขณะปัจจุบันต้องเกื้อเสียงเสมอว่าตนเองตําหนิตนเองได้ไหมแบบนี้การคิดอย่างนี้เฝ่าคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้กระทำอย่างนี้ตนเองตําหนิตนเองได้ไหม อ๋อทวีนาแล้วอะไรเข้าข้าวตัวเองตัวเองต้องเหนี่ยมตัเองไม่ได้โลกต้งเนี่ไหมโลกกับวัชชะไหมาใครรู้เราทาอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยแอฟที่อยู่ในใจโลกกับจชะไหมลัมันยังกลัตัวนี้ก็ตําเหนี่ยตัวเองได้โลกกลับหรือโลกกลับวัชชะได้หรือว่าปัญญสิทธิวัชชะคือผู้รู้คือพู้เจ้าหรือพ่แม่หาจารที่ทรู้ว่าลับสิรู้ตําเหนี่ยที่รับที่แจ้งรู้ทั้งเงินกี่ไกลที่ไกลยตําหนีก็ได้ไหม แต่แอบคิดอะไรอย่ในใจอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำ่นี้เขารู้ว่าถ้าพระองค์คำนิได้แม้แต่เจ้านที่รับเรายังไม่เราถ้ายังคิดอยู่ก็ต้องเลิกสันติอย่าไปพูดอย่าไปกระต้องเลิกันตีต้องใจเด็ดขาดว่าจะทำได้อย่างนี้มันจะเลินแน่นอนอยู่แล้วพยายามนักเรียนเอ่อเป็นนักเรียนก็ยยอ่านนังสือ เราเรียนเก่งอ่านก็ตอบได้ทำงานเป็นีย่เงนี้มีความวาเดือดร้อความเจริญแลวมีความสยงมานเพียนหาแรงหความรู้นอนท้องตบต่อผู้ใหญ่มีความอ่อนนอนท้องตนต่อผู้ใหญ่ไม่แข็งกระดางมันก็ไปได้แล้วก็ดีมากการกานก็จะดีก็เสร็จตมามแอ้์ก็จะแข็งเก่งก็จริงไงแต่แข็งกระด้งะดางก็ไปไม่หลอดแล้วไม่ได้จะอ่อนอ้องตน้็ไปไม่หลอ แหน่เนี่ยเปหองทุกทีทุกคนทุกอยู่วันทุกอยู่เนี่ยพอทุกคนเดินทางในการคอบมเกื่อนเดินทางที่พระเจา้ารัส่าเดินทางในความเสื่อนยอมเกือเ่อ น, นแน่นอเดินทางในทางความเจริญย่อมเจริญแน่นคัตัดพรเจ้าขึ้นเป็นสองจะสร้างความกำิดสิทธิ์ความไ่สง ทำไปแล้วก็เอโหที่กรรมเาโอโหที่กรรมต้อง น, นั้นเลยชีวิตกผ็ผ่านชีวผ่านชีวิตล้ไม่ใช่แล้วจิตใจเพราะว่าเราก็ทำความดีก็ทำจนดีที่สุดละเดินทางกวาเจริญระบาดกับเพียบภูจะทำจน ด, ดีดดดที่สุดในะจเราก็เรากลาดาวจนดีที่สุดครับสบายตัวเนี่ย แผ่เมตตาคุสแผ่เมตตาเจ้ากเจกัในเวสุขสันตุันตลอดเวลาวตลอดารจักทหาเจ็ดใจากนาุดดุวันกับประจกทั้งหมดมันก็เป็นที่รักใคร่ของมนุษย์และอามนุษย์ทั้งหลายด้วยไม่ใช่ว่าเฉพาะเจ้วกัในเวนให้อภัยก็เป็นที่รักใคร่ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายวัที่ไหนก็ตกน้าไมหลตกไฟไม่ไหม้ไม่ตายหไม่ตายด้วยขโมใดๆทั้งหมดยกเว้นบาปกรรมหนักมาตัดร้อน ถ้าไม่ช่วยทำอ น, นามจายกรรมมาก่อนเนี่ยก็ลอดได้อันนี้สงของเมตตาอยู่เป็นประจาเนี่ยพอเราไปดูดเราล้วพพร้อมแล้วเนี่ยแผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่เมตตาะ่อเลย่อนเพนมันเป็นเมตตาที่ออกจากใจอยู่สเสมอเป็นเมตตาที่ิทอะ ไ, ไรตุเทสโตรอินทุยัตตุณปุุกสรรพสตทั้งหมดที่ยังเวียนายตายเกิดแต่เื้อมหอยู่ในร่างกายเราทีา่ิริุทมาสุบนทุกมือเนี่ย ที่เราลักคุณไม่ว่าใครต้องลักใครแล้วมีบุคุ ณ, คณแต่ที่ช่างไม่ได้ีแล้วก็ให้ไปหมดเอาคนที่างไปหมดแล้วการเมืองก็ให้ขอขอที่กรนให้ให้ใหมดใช่คที่ดุคนที่ดุที่รคดีเขาก็ไม่ขัดขวางไม่ไม่จ้องล้างจองผ่านเราไม่ทำทุกอย่างลาบากเดือดร้อนความดีแล้วก็ทำเมตตาลรวก็แผ่ไปให้สามที่ที่ดุไมมีขอบเขตที่ที่ดุได้เยาว์มา เราก็เป็นที่รักคของมนุษย์และอัานุษ์ทั้งหมดเทดาทั้งหมดราท่ไหนก็ตกน้ำนี่หลตกไฟนี่ไม้มีแตผู้ช่วยเหลือตลอดเวลาเนี้ยทุกที่ทุกษางไปที่ไหนก็เรามมีอิญญาตาทิพย์ไปนั้นเนี้เมอพิญญาตาทิพย์เระเห็นว่าเราไปไหนมันก็อยู่คนเดียวต่อในลกเนี้ยเราเห็นแก่มนุษย์เล็กๆมากอ่เป็นแกเนี้แต่โลกของทิยโลกของเทวดามหาศาลในทุกที่ทุกทางเราจะได้รับควารักใคร ยด่สิบเจดกนาำไปหลายตกไปไม่ไม่ไม่ตายดิไม่ตายโหไม่ตา ย, ด, ยโโดิโง่ๆดิเลยนอกอจากว่าเคยทำยงานที่แยกกรรมเหมือนกับระโมกขลาน่ะเคยเคยทำรายแม่เคยทุบแม่มาก่อนก็เลยเลยเยวิตนงานทยกกรรมนะครับอันอ น, น, น, น, อนี้ผมคิดเหตุการณ์ในตาะะมบารมีหลับก็เป็นสุขตื่ก็เป็นสุข เข้าฌานง่ายเดินลบภับไปในอากาศเนี่เข้าฌานง่ายเข้าสมาธิดง่ายอยู่นี่ไม่ต้องไปตั้งทำไม่ต้องไปตั้งใจทํำเลยมันเก็บเป็นเข้าฌานง่ายเหมือนเดิมโลภภาพไปในอากาศเลยง่ายได้เหมือนพิชความมีเมตตาที่ออกจากใจเวลาตายแล้วก็มีสุขติ้นภพอยูที่วางหลับก็เป็นสุขเดเป็นสุขไม่มี อ, นอันิสงสงสิเอ็ดประการเดียวตัดทดลองเลยถ้าอย่างนี้ชีวิตมันมีความสุขแล้ว จะลรุ่งเริแบบน่ น, นอนมีฐานคนทุกแน่ น, นอนมีอะไรตรงไหนเดีราพูดจริงเปละ่ะอืมเี๋ยวพูดกันโดนกันเลยทั่วหน้าเนี่ืมใช่ไหมโดนกันทั่วหน้านะน มันลบภาพบรรากาศเพื่อจิตบรรยากาศอบอกไม่ถูกมันไม่ใชเป็นความสุขที่อกว่า น, นาาิพนะานนรกำลงขขังศูนย์นิพานนำกำลังศูนย์กลับความวางเป่าจากทุกในความว่า ง, างป่ า, า, าจากทุกอะไเมันจริงเป็นความสุขได้เจอว่า เป็นความสุขอย่างที่ชาวโลกเขาเป็นสุขมันก็เลยรู้สึกโอ้ยสุขสุขสุขอะไรมต่ไม่ได้สุขอะไรมันเหมือนกับเหมือนลมที่พัดไปในอากาศอย่างเงี้ยไม่ตุดขัดอะไรมันไม่ได้ขัดข้องเลยอะไรครับ ปวดปัญหาข้างบนในใจไอ้นี่ยมันเป็นความสุกขบไอ้ทุกข์มานมันมันเรเป็นทุกข์ออารมณ์ุกข์หรอสรรษะเออมันแบบพิสัทน์ประมาอาจารย์ใช้คาว่าจิตที่เกเกี่ยวโพวพันมันเป็นทุกข์ในโลกเพราะมันไม่เป็นจิตสาระจิตที่เป็นจิตสาะเป็นสุกขในโลกไอ่พอมันสิ้นการเกาเกี่ยวโผลพันสิ่งใดแล้ว มันเลยเป็นอิสาดเป็นศุนย์ในโลกนี่เราก็่มาได้บอกว่าเราเป็ลูกคนนี้ผ่านอะไรนั่นจะไปหาว่าเขาอัดไมได้จะไปลืมภาพไปเป็นต์ไม่ได้ตัดออกมาว่าเราปเป็น ล, ลูกหปอะไรม่แตคือมันไม่กาะเกี่ยวก็เป็นความไม่เกาเกี่ยวโบพัณไม่มาสัดใั้ในตัวเองอะ่ะก็จะได้ใจในตัวเองอ ใจที่มันเป็นอิสระนี้เป็นสุดในโลกนี่ไงใจที่มันกเกี่ยวพัวพันมันมีภาระตัดใจหรือเรากังวลจะพุทธในโลกเราไม่มีอะไรสักอย่างเดียเราเป็นมีครอบครัวแต่เราก็ไม่ได้มีครอบครัวมันอยู่ในใจเราเราเคยมีสมบัติมีตําแหน่งลาบเยอะสมบัติตําแหน่งราบยอะเครื่องราหลายสไต สูงสุดก็ไม่เคยมีอยู่ในใจเราเลยเราเคยมีก๊อสินเงินทองอาตังหะกันครับก๊อปสนงทองทำให้าเกิมียในใจแต่เราก็ไม่มีปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ีที่อยู่ของตัวเองเราปั่บวารางก็ไม่มีไม่มีที่จะเกาะจะเกี่ยวปั่วาลางก็ไมมีแล้วก็ร่อนเรศร่อนไปเรื่อย วันนี้ก็อาศัยวันก็อยู่ปัจจุบันถามว่าจะมีที่ไปที่ไหนก็ที่แน่นอนไม่มีเราต้นเล่ไปเรลยอย่างเงี้ยเราจะที่จะกลับไปไหนไม่มีที่จะกลับไปไหนอะเราที่จะกลับก็ไม่มีที่จะไปก็ไม่มีแล้วก็ไปตามเหตุตามปัจจัยใครี่มุ่งเราไปเลยไปเขานิ่มุ่งไปเขาอยากเขาอยากให้ไปสอนอยากมาช่วยเขาเห็นว่ามีประโยชน์เราก็ไป ปัจจุบันน ม, มีวัดของตัวเองมีที่จะกเกาเกี่ยว ม, มีใครกเกาะเกี่ยวพระที่มาอยู่กับเราพอเอาลุกทำเห็นทำเราก็ไปวางให้ตามยาู่ต่างๆไอ้ก็จะมีปุะโยชต่อชาว บ, าาในในบว้านเราก็เลยไม่ได้เกาะเกี่ยวผูกพันกันจริงๆพระทีอยู่กับเราก็เปลี่ยนไปเรื่อย <S <S ๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆใจเราไม่ ไม่กอดไม่เกี่ยวไป่รบนไม่ยึดไม่เอาเลยมันแหละมันไม่มีอะไรเลยจริงๆแปลกจริงๆเราที่มีนะแต่ความไม่มีเลยทุกที่มีทุกอย่างเลยแต่ความไม่มีอยู่ในใจอ่ะมันอย่างไงจะบอกไป กรานนก็สอนสอนสอนสอนไปมีแค่นี้แนี่ยวันทุกวันมีแค่นี้เน่ยกนิ น, นแล้วก็สอนสอนสอนเมื่อยไปนอนเยอะเอยเกินเสร็จก็สอนสอนสอนเมื่อยแล้วก็ไปนอนนอนแล้วก็สสร็จก็สอนสอนมีอยู่แค่นี้เองจริง ืก็มมีอามีบ้างช่วยเขาสร้างวัดสรางวาอายวัเขาอยู่ก็ทำประโยชน์ให้แกวัดเขาก็ทำประโยชน์ให้แกโลกาก่อนตายไปอะไนะเราไหลมากมาชีวิตเดี๋ยวกระจบลงแล้วเดี๋ยวกะดับลงแล้ว มาจากความว่างเปล่าก็จะเอาอะไรเพราะเรามาจากความว่างเปล่าเกิดมาไม่มีเลยสักอย่างเดียวตัวก็ไม่มีเกิดมาตัวก็ไม่มีนะตอนเรามาเนี่ตัวก็ไม่มีเราตัวนี่ก็มาผสมมาที่หลังสละกระเปิ่มกับใครเกิดมาจากการพตนาอาราธะของพ่อของแม่เรา ตัว เ, เ, mm hmm. เราจริงๆไม่ได mm ้ม hmm. ีหรอกมั mm hmm. นไม่มีไม่ได่หลัแล้วก็ไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณก็เพิงจะมามีรผสมกันปิดแล้วเนี่ยมันก็เพ่งจะมีความรู้สึกนึกิดอารมณ์อ่ะมันเกิดน้ประขันก่อนแล้วก็รูปประคันมันเลยค่อยสมบูรณ์เต็มตัวดีว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดส่างขันเนี่ยผสมผสมติดก่อนตัดินน้ำลงไปผสมผสมติดก่อนต่างขันเป็นปัจจัยที่เกิดวิญญาณวิญญาณผสมผสมติดก่อที่วิญญาณ ก็าประสบการณ์ค <weaving Marine> ือฐานวิญญาณธาตดินน้ำลงไปที่ธาตุแล้วธานวิญญาณที่มีความบ้างเปล่าเนี่ยจะอีกหนึ่าตเพราะวิญญาณเป็นตัดใจที่เกิดนํารลูกอย่างเงี้ยพาประสบก็ติดปุ๊บดินน้ําลงไปสี่แล้วมีธาตุรู้อีกนึงวิญญาณวิญญาณแต่ว่ารู้วิญญาณนี้แต่ว่าผีนวิญญาณแต่ว่ารู้รู้รู้ที่เป็นความบ้างแลวาประสบเป็นนามหลับเป็นนามลูปเพราะอวิชาเป็นใจเกิดสังขารเนี่ยประสบกติดแล้วดินน้ำลงไป แล้วก็า no no <Yeah. S 1> no ั้า <subjects> ว <195 Belarus OD> ิจญาเกิดวิญยาณเี่ยค mm. ือว <Miller> mm ิญญากัมเข้าผสะติดผสมติวิญยาณดูท่ารู้ที่วางฝากก็คือท่าเป็นธาตุาตุพอธาตุผสมก็ติดอันนี้ก็เพราะธาตุะสมก็ติดนี่แหละก็เลยทำให้เกิดนามรูปนี่ไงนามรูปนี่พม่จะมาเกิดทีหลังเนี่ยความรู้สึกคคิดอารมณ์เนี่ยนามมันคือเกิดเวทนาสัญญาตังานก่อนที่มันเกิดรูปนัานเพราะนามรูปเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดสรยักษะนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้สลายญาประตูหกประตูไงไอ้ประตูหกประตูยจะมีที่หลังเลยพี่ตมันเกิดน้ำลูกก่อนนั่นนี่ต้องถึง่นีที่เราก่อนนะแล้วก็จริงนว่า้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะพูกจะมีที่หลังนี่ประตูหกประตูสลายญาณสลายญาณแล้วหกสลายญาณก็คือตายญาณหกแบบก็คือตาหูจมูกลิ้นกาใจมันพุ่งขนมาแล้วนที่หลังตาหูจมูกลิ้นก็จะมาโผที่หลัง พอสลายยศนะเป็นปัจจัยที่ให้เกิดภาษาให้ภาษาพูดได้สามารถเห็นได้ได้ยินได้ได้กินได้รู้่ได้สัมผัสได้รู้รู้อาการเั็นใจได้รู้ว่าที่สจเป็นอะไรภาษาเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดเวทนาเวทนาถ้าเกิดภาษาแล้วประจใจที่สุกใจก็คือถูกติเื่อเกิดเวทนาที่เกิดี้ินใจสบายพอสรมผสติดไม่สุกใจได้ินใจมันก็จะไสบาย ใจมันก็ไม่สบายไม่ได้ถึงขยิบนะคือมันเป็นสบายไม่สบายเป็นแค่สบายไม่สบายไม่ได้ถึงขั้นยิบเพราะ ว, ว่าเวทนาเนี่เป็นแค่สบายไม่สบายอยู่กับกา ร, การเวทนาเป็นปัจจัยที่สําคัญเ้ยเวทนาเอ้ยพวกเวทน า, ท น, า, ท า, านีเป็นใจกิดตัณหาไอ้ตรงเนี้ยสาคัญเราเห็นละที่สอนต่อนหน้าเราเลยสอนว่าให้ปฏิบัติมันมีเวทนา ให้มีแค่ผัสสาวะเราก็จะสนุกท่านฟังเราเอาเอาคําสอนเราก็ไดอยู่ฟังเราอยู่ติดตัวกันไปเรื่อยเวลาท่านพูดสอนมาเราตกใจเลยเพท่านสอนบอกให้ปฏิบัติให้สัตวตรงเวทนาไม่มีเวทนามีแค่ผัสสาวะเราก็จะสนทุกไปแค่แต่สัตว์ต่วันรู้สัตแต่วันรู้ไม่มีเวทนาไอเวทนามห้ามเลยได้มันเป็นธรรมกษัตริเลยห้ามเลยเนี่ยท่าน เข้าใจอะไรพลาดเกิอมากเลยเนี offline, ่ยถึมแม้ว <meals. S 3> hmm. ่าเราเรามาที่นี่ใช่ไหมไอ้สถานที่มัสถานที่มันมีสะไมีต้นไม้มีน้ำเขาเขาทำควับสะอาดไว้ดีเนี่ยแล้วพอมาล้วก็โอ้โหกาดูแล้วมันจบสายตาสบายใจไห้สบายตาสบายใจเป็นธรรมชาติเพราะว่าสถานที่มันสะอาดมีวิวสดใสอันนี้เราจะไปห้ามยังไงนี่เกิดปัญนา เราไปเที่ยวพวกเขาไปน้ําตกไปดูน้ําตกไปแลไรอากาศมันเย็นไม่สบายตาสบายใจสบายกายเวลาอากาศมันร้อนมากเราจกจัดเดนเมสามันก็ไม่สบายเราเรามองแดดแดดมันจ้ามากมันเข้าตาเราที่เอาแว่นดำมาใส่ที่กุญชลารว่ากุญชลารว่านอแว่นดำมาใส่แดดมันจ้าแล้วอากาศมันร้อนผิวพรรณมันแตกไปหมดเลยอันเนี้มันก็ไม่สบายตาไม่สบายกาย อ่อมันก็ไม่สบายตาไม่สบายกายไม่สบายใจมันเหมือนกับโอ้ไปเดินไปในปา่าเขาลําเนาไปเดินไปไน้นําตกมันก็สดชื่นใช่ไหมมันก็สบายตาสบายกายสบายใจไอ้นี่ยมันดับไม่ได้อะอะไรก็สอนบอให้จับจับเวลยจับตกเลยมันไม่ให้มีเจตนาเกิดขึ้นบริบัติให้ตัดขาดเวตนาแล้วก็รู้ฝิานคือไม่ให้มีแค่แกระทบขัสดสาทไดเฉยมันเป็นแบบนี้ พอเราขนะดฟังเราทําเราสอนอยู่ด้วยกันะฟังเราอยู่เระจำแต่ดึงมัที่ของเขามันเลยเพราแปลว่าสักแต่ว่ารู้ดูมีแต่รู้อย่างเดียวไม่มีเวทนาเกิดขึ้นสักแปลว่าเขารู้ท่าเคลื่อนมากแต่ตรงนี้เนี่ยที่มันต่อไปเนี่ยคือไม่มีก็คือว่าพอไปกระทบกับเวทนาที่มันมันสบายกายสบายใจกระทบกับสิ่งที่กระทบแล้วมันไม่ไม่ไม่ไม่ได้เกิด เวทนาที่ไม่สิทใจที่มันแบบว่าไม่สบายตาไม่สบายกายไม่สบายใ จ, จย ก, กรทบตรงตกระทบหัวที่แก่ใจถ้าเราไปกระทบอะไรภษาษาอะไรภระทตากระจบวิี่แก่ใจมันทําให้สบายตาสบายกายสบายใจเนี่ยเราก็จะไปจิดมันอย่าเคลิ้นแต่กับมันตัดตรงนั้นที่เนี่ยนะคือความเคลิ้เนี่ยอย่ากเคลิ้นไฟอย่าเคลิคิดอย่าเคลิ้นเนี่ยลมไปอย่าเพื่อเพลินไปกับอินอย่าอินเนี่ยอย่าอินเข้าไฟอย่าอินไฟไอ้แก่นั้นไอ้ที่ว่าตัดแต่ว่ารู้เนี่ยมัปตัดกัอองอินไม่ให้อิน แต่เขาเขาใจจิแตแปเอาดือด้อเลยแนมะ้ว่ามีแค่ภาษาไม่มีเลยขนาดนั้นมีแค่กระทบกระทบกระทบแคแล้วก็สะก ด, ดจิตจนดำตีเลยตัยย้งเยอะโยมก็สงสัยสงสท่านไม่เครียดแย่หรือไม่ <c oughs> โยมก็ตามเลยท่าไปเครียดแย่หร้อไแต่เครียดมากเลย <c oughs> เครียดมากเลยมีแต่ตเครียดไเครียดตเลยเลย ว่ามันไม่แค่มันแค่ให้ภัษสเนี่ยกระทบอะไรเนี่ยมันธเวทนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดกระทบก็ไปเห็นอยู่รู้อยู่ว่าสบายกายอบไยตาทบายหูทบายตาสบายกายสบายใจแต่เราเนี่ยอยาก่อให้เลินตัวเดียวตันตันคทีเนี่ยความเพลินเพลิดตาเพลินใจจะป่อยให้เปลินตัวเพลินก็จะกิน ย่าอิ่มไว้เพลินหยอกมอเพลนทิ้งไปองแต่งไปอารมณ์ไปเพลินเพลินสัมผัสเพลินดูดูลื้ๆเศไม่เหลืออันเนี้ยไปความเพลนนี่แน่มันก็เลยเป็นเป็นเหตุเนี่ยพอเลินไพอเกิดสัมผัสอะไรพี่พูดมาแม่สบายตาสบากายสบายใจแล้วเพลไปติดมันพอติดแล้วนี่พอไปกระทบพอเพลิก็ไปกระทบสิที่ไม่ถูกใจภาษาูกใจะไเ้มนเลย รังเกียจยิ้มรนผักใสไม่พอใจงุดหกิจรังคาญเดือดริ้วหรืออะไรก็งุศกิจเป็นหมดทั่วหมดเขาก็เลยการทป็นติดหลักอีกครั้ก็ถึงไ ง, งอาการหัวในก็จะเลือกแต่อาการหัวใจที่มันเป็นธรรมารลมที่มันเป็นที่ถูกใจคือฝ่ายที่มันว่างโลภโลมเบาสบายสว่างสงบนิ่งเฉยมันไม่จะไเลือกว่าที่สบายใจแล้วพออาการงุศจิตไปตรงข้าม มันก็จะหลังเกียดที่หลนผักใสอันนั้นมันเป็นอาการของที่เราไปกระทบ อ, อ, อาการว่างโลภเบาสบายนิ่งสงบเจ๋อ เ, เป็นอาการของจุเวชนะเป็นธรรมารงเป็นอายตนะใจนอกแล้วมโนวิญญาณ ก, า ก, ก็ไปรับรู้สานกระตุ้นใจไปรับรู้ไปรับรู้ถ้าเราไม่เคยไปกับอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่มีทุกข์อะไร พอเราเพลินงไงอะเพลินก็คือเลือกค้าชอบอารมณ์อย่างเนี้ยชอบความรู้สึก อ, สอย่างเนี้ยที่จะเบีดเนาอย่างเนี้ยว่างโล่งเบาสบายสนบนิ่งชอบมากมากแล้วก็เพลินติดไป่ลยเนี้ยความทิ่มันในอารมณ์แบบนี้มันเป็ น, นทำอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกเป็น น, นายตนะภายนอกแล้วมันโนวิญ ญ, ญาณก็มันรับรู้ผ่านประตูใจเลยไปรับรู้รับรู้พวกเกิดแต่ใจานไเกิดจิตวิ น, นา พอสุขเียนนาพอมเป็นอาการที่สุขยจก็เลยเป็นสุขวียนนาพอสุขเวียนนาเราก็ไม่รู้ว่านี่เป็นอายัตนาภายนอกพระอาจารย์ไม่รับรู้ว่าอะไรเกิดสุขเวยนนาสุขเวียนนาไม่ถึงมันไม่ได้ยึดนะเรียกว่าเออรู้สึกสุขอารมนี้ความรู้สึกแนี้แต่ความรู้ไม่ทอบานว่าอันนี้มันเป็นอายตนาภายนอกที่มันต้องเปลี่ยนไปอายะภายนอกภางนอกทำอารมณ์เป็นอายตนภายนอกมันรู้เยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปรูก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปที่เรามองเห็นเดี๋ยวคนนั้นก็เข้ามาคนนี้ก็ออกไปแล้ เดี๋ยวก็เข้ามาเดี๋ยวคนนี้เข้าไปทั้งวันอ่ะรูกเาต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเนี่ยปัดกันเข้ากันปัดคไหนก็เข้ามาใครมาฟังตัวเองไม่รู้เปี่ยนกตั้งแต่เจ้ากี่คนแล้วเป็นธรรมดาเสียงก็ดับไปเปลี่ยนไปเปียนมาพูดคนั้พูดนี้พูดดับไเปลี่ยนไปไปทมาลงเหมือนกันไยสิ่งที่เป็นอาการคืออาการที่เกิดขึ้นในใจมันก็เป็นอายุทยาภายนอกลูกเสียงจิตรสผัที่แน่ มันเป็นสิ่งที่มากระทบแล้วมันรู้สึกว่าเราสุดใจก็เลยพอเราเกิดสุดใจเราไม่รู้มันเป็นอายตนะภายนอกเหมือนกับลกรอเสียนเนี่ยเราพยายามจะยึดไว้ว่าสิ่งตรงเนี้ต้องไม่เปลี่ยนก็แบบเดียวกับเรากระทบกับรูกนิดลูกที่สุดใจคนนี้เราปิ้งหนุ่มคนนี้เราปิ้งสาวคนนี้เราปิ้งพอเราปิ้งเราก็ไม่อยากให้เปลี่ยนเราใจเราก็จับยึดเอาไว้เราก็เลยเป็นปุ่ ไม่ต่างกันเลยตาไหนเข้าเลยออกรูปวาเราไปจับให้หนึ่ไว้ใจเราไปจับให้หนึกไว้จับปล่าไว้ตอนนี้มันก็เลยเป็นรูปตอนนี้มันตาอะไรเขา้าอไรออกเพรก็แบบเดียวกันนะถ้ามันรวมเห็นใจเห็นรูปมันก็เป็นอายะธนาไส่นอกแล้วมันก็จับรูปวิญญาณเนี่ยในขั้นที่ห้ามันก็อาศัยสายประตูตาไปรับรู้รูปนะั้นว่ารูปเป็นอ า, ายะธนาไใ่นอก ลูกนั้นเน่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็ดูสิเนี่ยนี่คือตั้งแต่ตรงนี้คนเปลี่ยนมากเลยระลูก็ันต้องเปลี่ยนมาตรเปลี่ยนหน้าเข้ามาเแล้วก็มีคนเปลี่ยนหน้าออกไปแล้องเปลี่ยนไปเป็นธรรมชาติถึงต้องเปลี่ยนไปเป็นในยานนาภายนอกเสียงเนี่ยก็ดูดิทุเสียงแล้วก็พูดพูดจะดับพูดพูดจะดับไปเ่ยเปลี่ยนไปพูดไปเปื่อยเข้าไปเรืยแล้วเสียงก็ต้องเปลี่ยนไปธรรมชาติต้องเปลี่ยนไปกลินรสสัมผัส เนี่ยพัดลมเนี่ยมันโดนตัวเราเนี่ยเจมก็ผ่านลงไปแล้วก็ตัวตะพาะเนี่ยเขาลงที่มาโดนตัวเรา เ, เดี๋ยวไอ้พัดลมเนี่ยมันก็ผ่านตัวเราไปผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันธรรมชาติเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเหมอนอาการของใจอ่ะธรรมลมเนี่ยความรู้สึกว่างโลภโง่เบาสบายนิ่งสงบว่างเหมือนกับว่างเวิว่นวางอะไรเงี้ย ไอ้พวกนี้มันก็เป็นอยนายะนะไคโนอกเพราะว่ามันเป็นธรรมารมมันเป็นอยนายะนะไคโนอเป็นธรรมารมรูกลดกลิ่นเสียงโสดพักธรรมารมเป็นอยนายะนะไคโนอตาหูจมูกลิน้นกายใจเป็นอยนายตนะไคใหมทุกโพดถูกรับรู้ด้วยวิญญาณในขันธ์ที่ห้าถูกรับรู้ได้ในวิญญาณในขันธ์ที่ห้านี่พอวิญญาณในขันธ์ที่ห้าม่นไปรับรู้ เหมือนกับรับลูกลูปเนี่ยลูกเขารอลูกเคขาสวยลูกเขาถูกใจเราไม่รู้ไอเป็นไอยัจนะกภายนอกเดยกก็ต้องเปลี่ยนไปเสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปคนคนเดียวก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายก็ต้องถูกังสลายไปหมดทีเราก็ไปยึดจริงจางๆว่าจะต้องต้องเที่ยวต้องคงที่ต้องเป็นอย่างนี้ย้ารับไปยึดก็ิยึดไม่เที่ยม คือเจ้าตัดว่าควรหรือที่เอาใจเนี่ยไปปลูกไว้กับสิ่งที่ไม่เที่ยงของจริงอะไรมันไม่เที่ยงแเวลาไปปลูกมันก็ต้องเราก็ต้องลุกแน่นอนเราปลูกกับของที่ไม่เที่ยงเนี่คือพระเจ้าตัดถามสาวทั้งรูปทั้งเสียงทั้งจิตทั้งรสทั้งสัมผัสทั้งธรรมอารมณ์คืออาการความรู้สึกมีจิตอารมณ์อาการที่ถูกใจไม่ถูกใจเนี่ย่ยไมใจเราเนี่มันเป็นธรรมอารมณ์ สิ่งเหนี้ยมันเป็นของไม่เที่ยงมันของไม่เที่ยงได้ยังไงก็เปรียบเหมือนกับว่าน้าทะเลอ่ะน้ําทะเลที่มันมีคลื่นลมอ่ะมีคลื่นลมแรงๆอ่ะเดี๋ยวก็คลื่นค่อยขึ้นคลื่นเบาขึ้นคลื่นมากนี่ก็คลื่นใหญ่เลยเดี๋ยวก็ราบเรียบเดี๋ยวก็มีคลื่นใหม่อีกคลื่นเล็กคลื่นใหญ่คลื่นเนี่ยคือความไม่เที่ยงเปรียบเหมือนความไม่เที่ยง พระเจ้าสรัสว่าเนี่ยลูกินเสียงสัมผัสธรรมลเนี่ยซึ่งเป็นความไม่เที่ยงเนี่ยควรรู้ใจที่ปลูกไว้ความไม่เที่ยงถ้าเราใจเป็นปลูกไว้สหรับสิ่งไม่เที่ยงเอาไปปลูกพันที่เป็นจรเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ําทะเลเนี่ยสิ่งของไม่เที่ยงน้ําทะเลเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นในน้าทะเลเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นใหญ่ขึ้นเล็กถ้าใจเราปลูกก็เท่ากับเราเนี่ย ยอมที่จะกระโดดจากเรืเอลงลงไปลอยฟอในทะเลแล้วเป็นยังไงมันก็ต้องขึ้นขลงล ง, ลงตามน้ําทะเลแนะ่เพราะเรายอมที่จะปลูกตัวเราไว้กับน้ำทะเลเราอยู่บนเดือนดีแล้วเรากระโดดลงไปในน้ําทะเลเราก็ต้องยอมที่จะขึ้นขึ้นลงลงไปตามน้าทะเลเพราะว่าน้ําทะเลมันเปของไม่เที่ยมมันขึ้นในต้องทะเลเป็นขอกไม่เทีย่ย มันก็ขึ้นขึ้นลงลงเราก็ต้องขึ้นขึ้นลงล ง, ล ง, ลงเมื่อเรายอมที่จะสละเลรือกระโดดลงไปในน้ำทะเลเอาใจไปปลูกพันธุ์จากติ๊กเที่ยงแล้วเป็นยังไงคนที่กระโดดจากเรือลงไปในน้ำทะเลแล้วผก็ต้มจบน้ำทะเลทอย่างแล้วเจ้าดิสันว่าทะเลทุกทะเลทุกมันเลยจบน้ําทะเลทุกเมื่อตาไหาออกตาไปแล้วไหล อ, อ, อีกเพราะอะไรเอาใจไปปูกตัวของเมี่ยง ทนปรินิพพาจาบว่าของทุกอย่างที่ทัูปเสียงกิรถรมพัดธรรมารดคืออาการุขใจมันยอไม่เที่ยงย่อประสบประสิ่ที่สุกใจบ้างความทุใมันสุกใจก็เป็นสุขเวทนาย่ประสบประสิที่ไม่สุกใจบ้างทุกขไม่สุกใจก็เป็นทุกขเวทนาย่ประสบประสิ่ที่เป็นกาก็เป็นอารมณ์ธรรุเวทนามันก็จะสลับเปลี่ยนนเดียนไป แต่มันก็ตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงเพื่อมันไม่เที่ยงมันเหมือนกับน้ําทะเลที่จะนองนองในควรหรือที่จะเอาใจเป็นผูกแบบมันกับสิ่งที่ไม่เที่ยงให้เป็นทุกข์เหมือนกับเราอยู่บนเรือดีๆแล้วเรากระสละเรือกระโดดลงไปลอยคอในน้ำทะเลเราก็ต้องประสบกับคลื่นลมในท้องทะเลและที่สุดก็จนทะเลทุกข์น้ตาไหลออกตาเพราะใจไปผูกกับสิ่งที่ไม่เที่ยงที่จะจังหวะควรหรือ ที่เธอจะเอาใจไปปลูกปกติที่ไม่เที่ยงให้เป็นพุกธพาวกทหลายาไม่ควรเลยประเจ้จิงใดไม่เที่ยงถิงนั้นเป็นพุทหรือเป็นสุขเริ่มเป็นพุทธกเ็เที่ยงหมมันต้องบีบั้นให้เปลี่ยนแปลงไปสิ่งใดที่ถูกใจจะไม่คงคออยู่สภาพเดิมจ่ไม่อาจเป็ีนไปได้ติงใดที่ถูกใจทั้งตาทั้งหูทหั้งจมูกทั้งลิ้น ท, ท, ทั้ทงกายทั้งใจคืธรรมอารมณ์คืออาการทางใจทุกริยาการทางใจ มันจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะไม่เที่ยงมันจะเปลี่ยนแปลงมันจ ะ, นะบีบบังคับให้คนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดมันเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดเป็นทุกมันคนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไป เราจะให้แต่มันถูกใจถูกใจอยู่อย่างนั้นตลอดไปสิ่งใดถูกใจลูกถูกใจเสียงถูกใจกินถูกใจรถถูกใจสิ่งที่มาสัมผัสเสียงสิเราถูกใจอารมณ์ที่ถูกใจความรู้สึกที่ถูกใจดีมันจะเอาแต่ว่าโล่งโอเบาสบายอย่างเดียวอาการที่ไม่ถูกใจคืออาการฝั่งตรงข้ามเราจะไม่เอาเราจะเอาแต่สิ่งที่ถูกใจอย่างเดียวมันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะมันต้องสลับหน้าเปลี่ยนไป เมื่อเรายึดทางภายในเราก็ยึดภายนอกด้ว ย, วยเยวไไไวยวยมื่อเรายึดภายนอกเราก็ต้องยึดภายในด้วยนั่นแหละเมื่อเรายึดใจเราก็ไปปลูกใจก็เลยเราไปไปลูกไปปลูกเราใจเราไปปลูกตัวนี้เนี่ยมันประทุกแล้วไปปลูกทั้งสิ่งภายนอกทั้งสิ่งภายในเราไปปลูกกับสิ่งที่ไม่เที่ยงใจเลยเป็นทุกข์มันตาไหลออกตา เปี่ยบเหมือนเร า, เอายอยอนสระเรือกระโดดลงไปในน้ำทะเลปเป็นรอยคลอกลนน้ำทะเลเราก็ย่อจบทะเลทุกแน่ทุกแนยตาสองฟองตรงนี้ก็เลยรู้ว่าพอสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งในนไาาไดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิงมันย่อเป็นอาณาตานี่อาจประคับได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเหลือถัดมาแล้วคือ ล, กลูกรถไฟเสียสัมผัสอายตนะไส้นอก ลูกลดกิเลสสัพพะสัมมลมอายะละในตาหูจมูกลนกายใจปฏิของที่มาเกิดไฟในพวกชาติปษษษษัจจุบันพระาะอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดสังขารคือตกละเพือกก็ไข่ผสมกันติดแล้วแม่ก็หายใจเอาธาตลมธาตุไฟเข้าไปหยีมันก็เลยเป็นสี่ธาตุมันก็เลยประสมมาติดพอสังขรารเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดวิญญาณนี้ หรืาตญปานที่ธาตุว่างเนี่ยมันก็เลยเข้ามาประสมกับธาตุดินน้ําลรงไฟพอเขประสมกันติดธาตุธาตุปุ๊บนก็เลยมีน้ำรูปนี่เนะ น, น, น, นี่ยน้ารูปเวนนาปัจจาภาษาปิย์คือมีการมีความรู้สึกมีคิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็มีรูกคือไอ้ก้อนเลือดมันจะโตขึ้นเลยเลยลนยเพระาะน้ารูปเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดสารลายกันน้ อายตนะบอกตาหูจหบุกทิศกายใจก็เพื่ออกมาที่หลังเราจะเห็นว่าอายตนะเนี่ยตาหูทมีกาใจเนี่ยมันเพื่ออกมาที่หลังแล้วมันจบของมัน่ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเป็นอนัตตาแล้วมันจกที่ใต้ชั้นเทีนี่คืเนาไปเพราะว่ามันเป็นของที่มาเกิดที่หลังในโลกเรามันกันีเดียวมนเลยผู้พันเน่าเกิอะจายไปเราเลยติดรูปติดรูปตัวเราแล้วติดรูปก็คือหลกนล้า ลุงหลงเพราะิ่ที่อยู่ในโลกหลงอยู่ในโลกที่มันมาประกอบม า, า, าสร้างเรานในในชาตินี้ลงมันจริงๆจั ง, งจเลยเราไม่เห็นว่านี่มันโลกมายาที่สุดต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงมันก็สร้างเอาในโลกนี้แล้วมันสร้างแล้วมันไม่ได้คงที่มันต้องเปลี่ยนไปเป็นสู่ความแก่ความเจ็บความตายหน้ามป่วยผุพังละลายเป็นที่เท่าทุรีไปหมดกลับไปสู่คือสู่ธาตุดินของแสงดินผมผลิตปนน้ำนี่ก็ดู กลับไปใส่น้อยใส่ใหญ่มากสะบัดหัวใจก็กลับไปเป็นผัดดินผาดน้ําทั้งหมดก็กลับไปเป็นน้ําในอากาศนี้เราดิ่น้ําเดี๋ยวก็ดื่มน้ําประจำเลยแล้วก็ลมก็กลับคืนสู่ลงในธรรมชาติถ้าไฟความร้อนอบอุ่ก็กลับไปสู่ธรรมชาติถารู้ที่ว่าฝเป่าก็กลับคืนสู่ธรรมชาติมันก็เกิดไอ้ห้าธาตุก็กลับไปสู่ธาตุใครธาตุนั้นที่ั้งหมดเนี่ยมันไม่เที่ยงกาแตกหลับกลับคืนสู่กวามเป็นมาตั้งแต่เดิม อาจจะอาจจะกล่าวได้ว่าถ้าเราเอาตรงวิญญาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวพูดมันก็จะบอกว่าเรามาจากความว่างเราก็ต้องกลับไปถูกควาว่างแต่ความาจริงเราไม่มีหดอกตัวเราไม่มีมันมีแต่ดินน้ําลมไฟแต่ธรรมชาตรู้ที่เป็นควาว่างมันมผสมรวมกันด้วยเอาวิชาอาวิชาคือบความของจิต ม, มั่นหรือมั่นนีมันจะมีอยู่มันก็เลยมาผสมกันสิ พออาวิชาไม่มีวิชาดับมันก็ผสมไม่ติ่แล้วพอเอวิชาดับสังขารกระดับวิญญาณกระดับนามลูกกระดับตัวไรยะชนะพัรษะเวทนาตัณหากะดับสุปทานความพิพัฒน์ถือมันกระดับพบชาติกระดับทุกตัวเราเสียใจครับแก้นใจก็ดับการเวียนว่ายตายเกิดก็ดับหมดชาติกระดับวรณาวันตายก็ดับไม่มีการเกิดการตายต่อไปดับหมดสิวิชาตัวเดียวคือความถือมั่นถือมัน หลงยึดมั่นถือมั่นเนี่ยวความหลงยึดมั่นถือมัน่นไม่เข้าใจตอนที่เราพูดเนี่ยพูดไปตามระบบเนี่ยทั้งหมดแี่ยเราพูดดื้อจาวเนี่ยเพื่อเข้าใจว่าระบบของธรรมชาติเนี่ยมันก่อนเราเป็นเป็นรูปร่างเนี่ยมันมาอย่างไรมันเป็นไปกระบวนการของมันไม่ใช่ว่าร่างกายเราออกมาจากฟ้ามานั่งแบบเนี้ยคนที่หลอ่อคนที่สวยออกมาจากฟ้าแล้วมานั่งปุ๊บแล้วก็ ล, ว ล, วลงไปเลยรูปร่างนะั้นไง มันได้ใช้ดูหน้ามันเร้างมาที่ทำทุกข์ก็เสื่อไปทิ้ไปผู้พังจะลายไปไม่ด้ยั่งยืนเราหลงอะไรจับลูกเจ๊ลูกทินเยี่ยงจังอะไรกับลูกเสียที่เราสัมผัสเสียทีเข้ามาลงหลงอะไรหลงแบบนี้ร้องให้แบบนี้มาหลายชาติลงได้ลงอีกหลงแล้วอีกร้องไห้แล้วร้องให้อีกน้ำตาเนืองนองอยู่ท้องทะเลมหาสาุยรพระพุทธเจ้าความลงนี่แะ มันต้องเรียนตาเรีเกิดเรยนกระดูกเราเนี่ยของขา้าวบาเราจางแต่ไอที่จะเกิดทเป็นมนุษย์อี่ยงยากตัวใจก็ไ่เกิดเป็นมนุษย์น่ยสติชาเสด็จ ต, ตัวแล้กายสัตว์อารมณวนไป ม, มาทุกอย่างลำา ก, ลลลกาเลยานยงเรีนอยู่แค่เนี่ยเรียนไปเรียนมาเราจะเอาไว้เอ็เนั่นแ่ละเราก็ต้องไปโหโอกาสที่จะเกิดทาเป็นมนุษย์อ่างมนุษยาย า, า, า, ารแตว่าเป็นแค่ปริมาณเล็กนิีหเล็ก มนุษย์งายทตายแล้วทองิัตินะพยาบาลี่นปตที่ตายบายเพราะาอะไรนะภาษาาพทำไมอ่ะทำไมคนตั้งหลายตายแล้วมันจะไปตาบายกันหมดเลยแต่พรเกิดเป็นคนเจ้ากับดิในที่เล็กพคนันแหะพระองคจกิเลตัวเองกนิเลสนี่นะมันพ่ายแพ้กิเลสในใจตนหมดเลยตายบาย นี่เนี่ยพเจ้าบอกวไม่ตาสำหรับนกลมปุวจางกไม่ตาสำหรันกลมยันรุ่มหลงอีกก็ไม่รู้ว่าไงเนาะแค่ที่บายละเอียดแล้วนะเนี่ยไม่คิดไรกักอย่างสบายอจริงไม่ใช่วาเรามเคยมีครอบครัวเราก็เคยมีครอบครัวทุก เรามีแล้วก็เป็นโชคเบรีจะสุขเลยไม่เกี่ยวว่าเราไม่มีตาแหน่งลาบยศเราก็มีตาแหน่งลาบยศไป็นเป็นผู้สาวหน้าคณะในศาลต่างๆจ้าอุทธรเราเคยเป็นเจ้าที่สองทส่วนตำแหน่งขุนชายเจ้าทศภาคหนึ่งเคยเป็นตั้งหมดแล้วหัวหน้าศาลรองอาภิปดีก็ให้ตาแหน่งอธิบดีไปเป็นรักกิเกียรติศิษย์เป็นกิเกียรติแล้วพอแล้ว เรื่องบาชแต่ปลายสังหายมาทัพ <ket> ย์สังหารเลมาทรัพย์อยากมีลูกสาวลูกชายเลยได้ลูกสาวลูกชายเปลาแปะเลอยากได้ภรรยาที่มีพอมีฐานะความมีฐานะได้ลูกสาวลูกชายมีทุกอย่างเลยทำสมบัตสังหารทพอาสังหารทพย์เนี่ะอะไรเลยสบดีดีประสบดีดะ แต่แปลกจริงคับเรามีตัง้งเยอแยะมมายหลายอย่างทุกอย่างในสารพัดหรืแม้เราจะไม่มีมากเหมือนกับมาเสด็จีหรือว่าพระพุทธเจ้านะแต่มันก็ไม่มีอยู่ในใจเราเลยเรามีทุกอย่างแต่มันไม่มีอยู่ในใจเราแต่เวลาเราสอ น, คน อ, นนะคนอื่นเนี่ยคนอื่นเนี่ย ไอสิ่งที่มีก็ยังอยู่ในใจและสิ่งที่ไม่มีก็จะไปหาให้มี <c oughs> <c oughs> เอ อ, เ, อ, อเรามีทุกอย่างแต่เราเนี่ยสลักก่อน ใ, นใจเราทุกอย่างหนึงไม่มีอะไรอยู่ในใจเรากม้แต่อย่างเดียวอดีตก็แล้วไปหมดแล้วอนาคตก็ไม่มีอะไรอยู่ในใจเราเลย ปัจจุบันก็ไม่มีอะไรอยู่ในใจเลยวัดวาอาลามเราก็ไม่ดีเรไม่มีอะไรอยู่ในใจเราเลยโดกสิ่ลูกหาเราก็สอนสอนสอนไปใครทำก็ทําไม่ทำเราก็สอนเต็มที่เรา่อนแล้วก็แล้วเลยไ ม, ลไม่ได้มาไม่ในใจเราไม่สิดอะไรอยู่เราแปะใจเองว่าเปล่าไปเลย ตราก็เไม่ถูกกับอะไรมันเบาสบายมันลดความเป็นแรกดเลยไม่มีอะไรเลยไม่ไม่กระด่าอะไรไม่ไม่สภาะทะเลยไม่มีอะไรบีบคันนไม่มีอะไรหนักใจไม่กังวลไม่ทุกขไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังไม่ปฏิบัติก็ไม่หนักใจไม่มีอะไรข้างหน้าก็ไม่มีที่ไป ปัจจุบันก็มีที่ไปไมันจะไปไหนเพราะวัดตัวเองก็ไม่มีไข้ใมมนมลใจกับไปด้วยแล้วเหตุผลใจันจะกลับไปไหนอ่ะก็ไม่มีที่ไหนไม่มีที่ไปในปัจจุบันก็มีที่อยู่วัดตัวเองก็ไม่มีใจมันก็สุขวา่าเปล่าทั้หมดเดี๋ยอยากให้ทุกท่านไน่เป็น อ, นะอย่างเนี้ยดี๋ยวที่เราเป็น เราไม่อยากให้ทุกท่านเราตุกตุกน้ำตาไหลเข้าไหลออกทุบแล้วทุกอีกทุบแล้วทุกอีกน้ำตาไหลเข้าไหลออกทุกในโลกนี้ไม่พอนะเวลาไปงานศพเนี่ยจะเป็นั่งร้องไห้ในงานศพเลยมันอยู่ทุกในปัจจุบันถ้าปัจจุบันร้องไห้นะตายแล้วอย่าคิดว่าคนทุกข์นะ ก็นั่งร้องไห้ในงานศพเลยแสงสาหัดอาจารย์จะไปเผาตัวเองสอนมาสอนมาสอนมาไม่วางเลยตายแล้วลากมาอยู่ประเต็นท์โน่นเที่ยงจะไเผาแต่เจ้าตัวก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้อยู่ตรงเนี้ยมีประโยชน์อะไรที่อาจารย์จะไปเผาลากตัวบนเตนท์น่าจะเผาตัวเัวอมันหายไป มันจะได้ไป่ทุกข์มันน่าร้องไห่ร้องไห่มันน่าจะเผาไอ้คนที่น่าร้องไห้อยู่เนี่ย่เผาทำไมลากไปบนเมนไม่ประโยชน์อะไรเลยไม่อยากจะเผาเธอเลยว่ะลากไปมันมันนอนมันง็มาทอดไม้เลยนะไอ้ลากนั้นคือไปได้ไอ้คนทุกข์มันน่าร้องไห้อยู่เนี่ยแต่น่าในงานจบเนี่ยมันน่าจะเผาตัวเธอมันหายไปไม่ได้กลับคือสุความเปลาธรรมชาติมันร้องไห้เพราะมันเกาะเกี่ยววัวควันนี่เลย กเกาะเกี่ยวพวงพานมันเลยตายแล้วก็ต่าหนั่ร้องไห้มันไม่ใช่วกาะทุกเจ้าพ่อในโลกนี้เราตายแล้วเบื้องหลังเจ้าพ่อตายมั น, นไม่เปทุกแสนสาฮะแล้วเราคิดไปดิเราคนเราเผาเรากลับไปหมดแล้วโลกนั้นเราอยู่คนเดียวเป็นยังไงอ่ะนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในวัดนั้น่ในโลกของธรรมชาติอ่ะ จะยังมีคนนุ่หยอกล้อยังมีคนนี้เป็นเพื่อนยังมีคนนี้ปอบใจยังกลับไปหาโทรทัศน์ ด, ดูเป็นความเพลงเป็นเล่นแชทเล่นไลายในโลกนั้นเนี่ยมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเลยทุกคนพอเผาเราแล้วจะกลับไปหมเราอยู่ในโลกนั้นคนเดียวนะบางครังบางคนอยู่ในโลกมืดด้ว เหมือกับคนที่ตื่นมาแล้วเนี่ยแล้วปิดไฟนอน่ไปนอนต่างจิตไปนอนตากจิแล้วปิดไฟนอนหมดเพราะตื่นมาใหม่การดื่นงงเอ๊ะมานอนที่ไหนวะเนี่ยงงไหมมันเคยเป็นไหมไปนอนตากจิตแล้วปิดไฟนอนหมดอ่ะเพราะดับไฟพราะตื่นมากลางดึกงงอยู่สักพูดหนึ่ ง, ง, ง, งว่าเฮ้ยประตูหน้าต่างเปิดไหมนเนี่ยงงแล้วมานอนที่ไหนวะแปด ตอนเราไม่คิดอยู่เนี่ยเราลึกสักพักเราก็ถับประตูหน้าต่างออกว่าเราไปนอนที่ไหนแล้วทําประตูหน้าต่างออกไปออกช่างไหนแต่ในโลกนั้นยู่ในโลกมืดตลอดการหาที่ออกที่ไปไม่เจอทุกแสงสาหัสพอตายปุ๊รู้สึกตัวที่อยู่ในโลกมูดเลยทําไม่ออกหาไม่เจอหรือว่าอยู่ในโลกไหนงงไปเลยอ่ะมีแต่ความมือ่อ มีแต่ความมืดเลยอ้าวประดับวุ้กไปอ่ะรู้สึกตัวอีทีเนี่ยมีแต่ความมืด อ, อยู่ในโลกมืดแล้วไปไม่ถูกตั้งจุ่มฟุ๊กอยูตรงนั้นแหละไปไม่ถู ก, ม, กนนไไมันอยู่ที่ไหนมันมืดไปหมดเลยหาทางไปไม่เจอเหมือนเราไปนอนอยู่ในตาขีนแล้วเราิดไฟนอนเห ม, มนพอรู้สึกตัวอีกทีงงไหมไปยังไงแบเนี้ตู้หน้าต่างอยู่ไหนครับอยู่แต่พักเราไปนอนที่ไหน แต่พอเราเป็นมนุษย์นี้เราพอจะไม่ออกกลับเยอะกมันทำได้แต่ในโลกนั้นเนี่ยหาไม่เจอมืดตลอดการน่ากลัวนะเราไม่รู้จักกลัวกันเห็นแล้วน่ากลัวเราไม่ต้องพูดถึงที่ตกไปในโลกอีกอ่ะโอ้โแดนสหันแล้ว์นั่นะ เราเคยส่งเข้าไปในกลุ่มนี่เลยเอาบายอาบายอาบายที่ก็ไอ้กระตูนอะไรนะคอมมิเนชันอะไรนะเราส่งไปให้รู้จักกลัวกันน่ากลัวอย่นั้นนึงน่ากลัวเอาบายอาบายอาบายเลยนี่เป็นกลัวเราไม่รู้จักกลัวมีแต่เรื่องของเกี่ยวพวพันเลยการขอบเกี่ยวพันมันทำให้เกิดใหญ่เป็นนันทินันทิ มีความการเกี่ยวเกี่ยวมันมันก็ไม่ได้ใจเจินใจญ่คที่มันทะเลาะกันมากทะเลาะกันม า, ตากต่อตีกันมากด่าว่ากันมากแทกกันท่านกันมากแต่น้าตาไหลเข้านี่ออกก็ยังเปสุขแต่ความคิดที่มนุงแต่ก็เห็นว่าเป็นความสุขนี่เดี๋ยวจะแว่าเห็นพวกหยาบเรียบดัว่าพวอหยาบเรียบัว หลวงปู่อะไรนะั่นปู่จุมมาทูลหลวงที่ถามหลวงปู่ม่านก็จะ่าโต ว, วะ่ะแล้วผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายเป็นยังไงบ้างอยู่ในขั้นไหนหลวงปู่ม่านผมบอกว่าส่วนใหญ่อยู่ในขั้นกามาวนยนต์ปู่ปฏิบัติแช่ใจสบายแล้วก็ติดเพือนใจไปอยู่ในการไปสบายใจแตรมาลงกลับไปอยู่ในการกบเกี่ยวกับกลับไปอี๋อี๋อี๋กันแล้วปกติเป็นละกลับบ้านไม่ได้ ไม่มีกูปะเสพอารมณ์สบายเสพฌานเสพอารมที่มันโตก็เอาสบา ย, ย, บายวานิ่งสงบอย่างนี้นะแจ้แจ้งไว้คนไห น, นก็ไปแช่กรรมอาวัจนภูไม่ไปไหนไม่เป็เล่ห์พาเครื่องเล่นพรังของขาปุกเสกเลขยันเขียนยันเขียนอะไรปลุกเสกันไปเขียนยันเรีนภาษาามเรียนภาษาาคมเรียนคุณไสสนุกสนานไปอย่างันเนี่ยปลุกเสกของ พลังเกียร์ฝรักษาโลกฝึกาะทิษฝูพทพิษตัวดีตัวนาคตฝึกิดทลิดจะหายตัวดำดินเหรอจะนา ก, การไฟกันนั่นหอะไรแลหละไอ้ที่ัฒนาความพัฒสูกจริงๆในปัจจุบันไม่เอาอะไรทักงอย่างมันมันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์อาญามันขอให้เราเราเป็น่างนี้นั่นดีกว่าพนอเป็นยังไงอย่าไปไมตรสนใจหรอเอาเราทีแะ เลยเป็นหนึ่งในศาฒนาความรูสึกในปักสุบัน